ยชยฉพอะหน้าสดสดร้อนร้อนเราต้องเอาอันนี้แหละอาหารดีอร็อร่อยบริโภคไปแล้วมีประโยชน์กับร่างกายมีกำลังวังชามีเรี่ยวมีแรงข้อปฏิบัติที่พร้อมเฉพาะหน้าพวกเราเนี่ยก็เหมือนกับอาหารอยู่เฉพาะหน้า แต่เราไม่สนใจที่หยิบเข้าปากกิน ด, ดูครับ อ, นนอันนั้นแกงเผ็ดอันนั้นแกงมันอันนั้นก๋วยเตี๋ยวอันนั้นขนมจีนอย่างอะไรอร่อยอ น, นั้นผักแซ่บๆอันนั้นป่นนัวๆตามบังหุงเตะปากอยู่เตะจมูกอยู่นั่น อาหารดีอาหารดีอาหารแปล ก, ปลกนั่งดูอย่างนั้นแหละไม่ยอมหยิบเข้าปากด <c oughs> ินจะรู้ได้ไหมมันก็มีแต่สัญญานั่นแหละโอ้อันนั้นเปรี้ยวอันนั้นหวา น, อ, นอันเค็มอันนั้นมันตามที่เขาว่านั่นแหละต่อนมีคนซ้ายขวานั่งบอกอันนั้นแซ่บอย่างนั้นอันนี้แซ่บอย่างนี้แต่ไม่หยิบเข้าปากโทษใครอ่ะที่เนี่ย เปรี้ยวหวานมันเค็มก็จําได้จากเขาอะที่จะมาสัมผัสลิ้นเจ้าของไม่มีสัมผัสลิ้นเจ้าของไม่มีเขาบอกว่าเปรี้ยวก็เปรี้ยวตามเขามันก็มันหวานเค็มก็ตามเขาอันนี้ประเภทหนึง่งประเภทห น, นึ่งเนี่ยนี่อาหารอยู่เต็มปากครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าปรุงให้อยู่เต็มหน้าเนี่ย ไม่ยอมหยิบเข้าปากยินได้ฟังได้ศึกษาได้เล่าเรียนได้ไรายยุแต่ไม่ยอมที่จะเอาสู่หัวใจไม่สนใจไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจที่จะเอาใครเป็นคนทาให้เสียโอกาสเราเป็นคนทาให้เสียโอกาสเรียนรู้หมดโอ้อันนั้นแกงเขียวหวานน้ออืมอันนั้นแกงส้มนาะ เรียนรู้หมดแต่ไม่ได้ทําไม่ได้ปฏิบัติคือไม่ได้เอาเข้าปากเลยไม่รู้รสชาติท้องก็หิวอยู่งั้นแ่ะแฟบอ ย, อยู่งั้นแหละหัวใจเหี่ยวแห้งธรรมะก็เหี่ยวแห้งอยู่อย่างงั้นแหละทุกเนาทุกเนาทุกเนารู้ว่าทุกเนาะเขายังชัว่วน่ะเพลินทุกกไปกับเพลินกับทุกนั่นแหะ สุคนิดๆ ห, หน่อยๆกับเพลินไปกับสุคนิดๆ ห, หน่อยๆนั้นสุขเขเวทนาทุกข์เขเวทนาเพลินไปกับสุขเวทนาเพลินไปกับทุกข์เวทนามันไม่มีปัญญาวิชามันบด ม, มันบังอยู่จิเรีมันบดมันบังอยู่มองไม่เห็น อีกประเภทหนึ่งรู้หมดแหละอ น, นันสติอ น, นันสัมัญญอันนั้นรูปธรรมอันนั้นนามธรรมอันนั้นฮิริอันนั้นโหตปนั้นดวงโลภะอันนั้นด ว, วงโทสะ น, นั้นดวงโมหะ อันนี้ก็มีอยู่เฉพาะหน้าเต็มหน้านหเหมือนกันละเหมือนกับอันนั้นก็ถ้วยพริกอันนั้นก็ถ้วยเกลืออันนั้นก็ถ้วยอเนื้อถ้วยปลาถ้วยมะกรูดถ้วยมะนาวเครื่องปรุงเต็มอยู่เฉพาะหน้าแต่ไม่ยอมปรุงไม่ยอมต้มให้เป็นกับเป็นแกงถ้าเราจะพูดตามหลวงตาหลวงตาท่านว่าสมาธิพร้อมแล้ว จะไม่ยอ ม, มามาพิจรารณาความรู้โดยหลักปริยัติเหล่านั้นะพร้อมแล้วแต่ไม่ยอมปรุงไม่ยอมปรุงไม่ยอมเอามาแกงอันหนึ่งแกงแล้วไม่ยอมเอาเข้าปากนี่เราเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นข้อเปรียบเทียบของก็อยู่อย่างนั้นแหละ เครื่องปรุ ง, งทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่อย่างนั้นที่จะเป็นกับเป็นแกงอันนั้นก็เป็นไก่อันนั้นก็เป็นกะทิอันนั้นก็เป็นพริกอันนั้นก็เป็นเกลืออันนั้นก็เป็นนมจีนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแตไ่ไม่มาใส่รวมกันไม่มาเอามาเข้าปากไม่รู้รสชาติอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ยอมเอาเครื่องเหล่านั้นมาปรุงกันก็ไม่เป็นน้ํายา ไม่เป็นแกงเขียวหวานไม่เป็นตำปกหุ ง, หงจะเอามาบริโภคก็ไม่ได้ยังมันมันยังไม่สำเร็จรูปรู้หมดอะไรหมดแต่ไม่ยอมปรุงไม่ยอมไม่จัดมาทำาี่ราเทียบพวกเราโชคดีโอกาสดีวาสนาดีครูบาอาจารย์ปลูกฝั ง, งสั่งสอนชอนน้อย สองคาพุทโธพุทโธสอนอยู่แค่นี้แหละศึกษาไปให้จิตได้รับความสงบจากนั้นแล้วความวิจิตพิสดารมันค่อยค่อยขยับขยายไปข้างมันเองจากจุดเล็กๆกระจายไปเรียนของจริงเรียนตาเรียนรูปเรียนหูเรียนเสียงเรียนจมูกเรียนกลิ่นเรียนลิ้นเรียนรส เรียนกายเรียนสัมผัสเรียนใจเรียนนึกถึงอารมณ์ที่เป็นสัญญาอารมณ์มันล่วงไปรูปล่วงไปเสียงล่วงไปกลิ่นรสสัมผัสล่วงไปมันมีของจริงอยู่ในตัวเราหมดทุกอย่างทีเจ้าสอนของจริงสอนเรื่องจริงทั้งหมด 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์ก็ไปอย่างไหนก็ไปอย่างนี้แหละ ถ้าราโมติเป็นไร่อันนั้นไร่นั้นอันนั้นพุทธวินะา น, นั้นธรรมะอยากพระโอษ์โอ้อันนั้นของอัตตกถาโอ้อันนั้นของดีกาอ น, นุดีกาโมตเป็นไร่พุทโธพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้า ว, ว่าไว้หรือเปล่าเอาอยแล้นินี่ยพุทธวจนะหรือเปล่าธรรมะอยากพระโอษฐ์หรือเปล่าแต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ส ง, ส, ส, งส้นสงสัยท่านไม่สงสัย ท่านทำแล้วท่านสงบแล้วเป็นบาปเป็นฐานให้กับปัญญาท่านทําได้ปัญญาแล้วท่านได้ปัญญายานแล้วได้วิปัสสนาญาณแล้วท่านได้มรรคได้ผลผลทุกผลโทษไปกันหมดแล้วองค์ที่ท่านได้ท่านถึงน่ะนะท่านไม่ได้เห็นสงสัยเหมือนเราท่านไม่ต้องมามาว่าโอ้อันนั้นของภาษาวกโอ้อันนั้นของภาศาสดาไม่เห็นท่านมาว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระสาวกมันก็อันเดียวกันเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาประพฤติตามมาปฏิบัติตามพอจิตมันเข้าถึงธรรมธรรมะของพระสาวกธรรมะของพระศาสดาเป็นธรรมอันเดียวกันธรรมะ ท, ที่พระศาสดาไม่เอามาสอนที่มันอยู่นอกจากในกรำ ม, มือของพระศาสดาเนี่ยมีมากมายเยอะแยะ เมื่อจิตมันเข้าถึงธรรมแล้วมันทําไมจะมันไม่เชื่อไม่เห็นมันไม่ใช่จะเห็นเฉพาะในกรรมมือที่พระองค์บอกพระองค์สอนเท่านั้นเราไม่หูหนวกตาบอดไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินได้ฟังเอาไปขัดไปแยง่งไปต่อต้านพูดผิดสัญญาวิปราชผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้แต่ในจิตของท่านองค์นั้นนั้นโลภโทสะโมหะหมดจด จากิดของท่านโดยสิ้นเชิงแล้วท่านไม่สงสัยแล้วท่านไม่สงสัยแล้วท่านยินยิ้มเยาะเราอยู่ข้างไในโน่นเออมันฉลาดมันฉลาดเออมันฉลาดไปอฉลาดไปท่านเย้ท่านแอบเย้อยู่ข้างไหนนั่นแะ <c ười> ดูแล้วก็เป็นอย่างนั้นเราพิจารณา ด, ดูนี่พวกเราอยู่ศึกษาได้ยินได้ฟัง เราก็เทียบเคียงด้วยเหตุด้วยผลมันเป็นเรื่องที่เอามาศึกษาทั้งนั้นแหละแต่บางอย่างศึกษาก็เสียเวลาบางอย่างเร่งศึกษาเอาแค่นี้แหละพุทโธพุทโธพุทโธแค่นี้แหละพุทโธแล้วได้อะไรไม่ต้องถามลูกปู่สาวท่านว่าพุทโธได้อะไรพุทโธแล้วทาให้ใจสงบใจสงบ ทำให้กิริยาของเราเราพระโทสะโมหะอันเป็นปฏิกิริยาของเจ้าตันหานั่นมันสงบระงับมันสงบระงับมันดับชั่วคราวมันสงบระงับชั่วคราวมันดับชั่วคราวเราพูดไม่ได้ว่ามันดับชั่วคราวแล้วมันจะไม่ไม่กระทบผุดเถือนมันจะไม่เดือดร้อนมันย่อมเดือดร้อนได้เหมือนกัน ยกตัวอย่างยกตัวอย่างพืชที่มันมีเงาอยู่ในดินอพอมันแทงหน่อขึ้นมาบนดินแล้วก็ไปตัดออกเช่นอย่างพวกเครือพวกวายพวกอะไรเนี่ยมันแทงหนอ่อแทงยอดขึ้นมาบนดินฟันออกมันแทงขึ้นมาบนดินฟันออกเพราะมันรกฟันออกเราปฏิเสธไม่ได้ว่า ไอ้เงาข้างล่างมันน่ยมันจะไม่กระทบกระเทือนมันจะไม่เดือดร้อนฟันเรื่อยๆฟันบ่อยๆข้าวเดี๋ยวก็เน่าข้างในเน่าลงไปถึงข้างล่างสมาธิก็เช่นเดียวกันสมาธิท่านถือความสงบของจิตสงบระงับอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงในหัวใจไม่ให้มันแสดงออกไม่ให้มันแสดงออก แต่ว่าอนุใสที่เป็นมูลเหตุลึกๆของมันอยู่ข้างในเรายัางไม่ได้รู้มันสงบรเรื่อยๆสงบบ่อยๆโดยเหตุที่เราศึกษาธรรมะของพระริเจ้ามันมีทั้งสมาธิมันมีทั้งปัญญามีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาเนี่ยใช่ไหมโชคดีของพวกเราไหมไม่ใช่เรามีแต่สมถะ ถ้าเราเทียบกับอุทกกดาบทัลาระดาบทหรือศีดาบทที่เขาไปเรียนจบฝึกจบได้อภินญาได้สมาบัติได้อะไรเท่าอะไรเนี่ยเพื่อนยังพลาดจากโอกาสของพุทธเจ้าดูแต่พุทธเจ้าดำติถึงอุทกกดาบทัลาระดาบทโอ้ท่านล่วงไปแล้วโอ้นาเสียดได้นาเสียดได ถ้าท่านอยู่เพียงแต่เรามาเคียให้นิดหน่อยท่านก็นรล่ล้ะนั่นคือความสงบแต่พวกเราพวกเราได้ยินได้ฟังสมถะของพระเจจาวิวปัสสนาของพระเจจามัดชีมาปฏิปทาสินสมาธิปัญญาสินสำคัญไหมสมาธิสำคัญไหมทำไมเราจึงไปยกย่องแต่ปัญญาปัญญา โดยที่เราทิ้งทิ้งพื้นทิ้งฐานลองดูสิลองทิ้งพื้นทิ้งฐานตัวนี้ลองดูสิได้อะไรเหยียบได้อะไรย่างได้อะไรยืนเดินนั่งนอนทิ้งศีลทิ้งสมาธิมันก็เดือดร้อนไปหมดแหละปล่อยมันกวนใจอยู่นั่นแหละดึงมาให้สงบระงรับหนึ่งหัวใจก็สงบระงรับไม่ได้เดี๋ยวมันกวน มาในลักษณะของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสแต่ละอย่างแต่ละอย่างสลับเปลี่ยนกันมาทุกระลอกเหมือนระลอกของน้ำนั่นแหละถูกเขยา่าถูกกระเทือนอยู่เรื่อยๆเขยา่าหัวใจสะเทือนหัวใจหัวใจที่ไหนมันจะสงบนิ่งได้ราคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตันหาวปาทานมันกระเทือนมันถูกเขยา่ามันถูกกระเทือน มันถูกปรุงทุกระยะทุกเวลามันถูกใส่ปุ๋ยมันถูกรดน้าพรวนดินทุกระยะทุกเวลามันจะไม่เจริญงอกเงยได้ยังไงมันต้องเจริญงอกเงยกิเลสตัณหามันก็ย่อมเจริญงอกเงยอันนี้เรารักษาสินสินก็รักษากิเลสหยาบหยาบแสดงออกไม่ได้ดูไปสิกิเลสสงบระ ง, งับไหมกายกรรมเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้นวจีกรรมเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้น เราพูดอย่างนี้เราเห็นความสําคัญของศิลสินสําคัญหมสินห้าสินแปดสินสองร้อยี่สําคัญไหมสิน 5, ส น, 8, น, นี้เป็นกรอบเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เป็นกรอบเป็นรั้วรอบเป็นขอบสองข้างทางที่จะทําให้เราเดินไปกลางๆงมีรั้วอยู่สองฝากทางนั่นน่ยไม่ให้เราปีนซ้ายไม่ให้เราปีนขวาไม่ให้เราแวกซ้ายแหวกขวาไม่ให้เราหันซ้ายหันขวา ให้เราไปตามกรอบนี่แหละไปว่านู่นนิพานอยู่ข้างหน้านถึงแน่ๆเลยแหละแต่ถ้าเราไม่ยอมไปเราเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเราก็ไปไม่ถึงนู่นนิพานอยู่ข้างหน้าเนี่ยอลองที่ลองไม่มีศีลลองไม่ถือศีลทุกทลายศีลพระพุทธเจ้าหมดปานาไม่สารวมระวังอธินากาเมไม่สารวมระวังมุสสาสุราเนี่ยไม่สารวมระวังลองดูสิ แค่ห้าอย่างแค่โทษห้าอย่างนี่ก็ทุบพแรงแล้วจิตที่ไหนมันจะมาสงบระงับได้ล้วนแต่เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราลักของเขาเขาก็จะลักของเราผิดลูกผิดเมียผิดผัวเขาเขาก็จะผิดของเราเพราะมันกรรมเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมพูดโกหกเขาเขากโกหกเราพูดเล่นงานเขาเขาก็เล่นงานเรา นินทาเขาเขาก็นินทาเราด่าเขาเขาก็ด่าเราอ่ะฮะสอเสียดเขาเขาก็ส่อเสียดเราะมันเป็นเรื่องกรรมเราคิดในแง่นี้เราเห็นประโยชน์เห็นคุณเห็นอานิส ง, งส์ของศีลศีลจึงเป็นศีลจึงมีอานิสงส์สำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติรักษาให้บริสุทธิ์สีเลนะสุขติยันติไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีล ไปสุสขสติก็ได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติแล้วสุกติลองไปทุกขติดูไปอบายไปทุกขติไปวิณิบาตไปนรกไปอเวจีนั่นไปทุกขติคําว่าทุกขติแปลว่าไปชั่วทุกชั่วไปสุ ข, ขติสอเสือสระุขคควายตเต่าสรีสุ ข, ขติ สุประดีคติแปล ว, ว่าไปที่ไปดีไม่ใช่สุขขอไข่นะสุขขอควายสุคติทุคค ต, ขขติทุคคติสุคติทุกคติพอเราพูดเรยวๆมันก็กลายเป็นสุขคติทุกคติสอนขอควายอีกหนึ่งตัวก็ได้ไปสุขคติอย่างน้อยไปได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติ ได้พรมสมบัติสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโผคะสัมปทาโผคะไม่วิบัติเนื่องจากเรามีสินถ้าเราไม่มีสินโั้นโผะเราวิบัติเดี๋ยวไปกินเหล้าเดี๋ยวไปฆ่าคนเดี๋ยวปากไม่ดีเดี๋ยวรักของเขา เป็นเหตุผิดศีลเกิดคดีเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นโรงขึ้นศาลเสียงเงินเสียทองมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาแบงซึ่งกันและกันเป็นเหตุเสียงเงินเสียทองนั่นอะ่ะแต่ถ้ามีศีลแล้วเนี่ยเงินที่จะต้องเสียกับสิ่งเหล่านั้นไม่มีมันเป็นการรักษาพอคะได้โดยอัตโนมัติสีเลยนะนิพพุติงยันติดุกดับทุกข์ได้ ถึงนิพพานได้ก็เพราะสินดูที่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายควรรักษาสินควรมีสินตัสมาซีหลังวิโสธีเนี่ยดูสินดิอันนี้สองอท่านรับประกันอ่ะนะลองตั้งใจทำตามทาตามนั้นเอาลองเราไม่เชื่อดูฝื้นข้อหนึ่งฝื้นข้อหนึ่งืน ข, น, ง น, ข น, งนข้อสองฟื้นข้อสามลองดูสิ ไฟแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยไฟเมาเมาเมาเลยแหละเดี๋ยวนี้เลยแหละลองฝืนข้อสี่ดูลองฝืนข้อห้าเ น, น, นียโลก ห, หมุนติ้วเดี๋ยวนี้แหละข้อห้าลองฝืนดูเสิ้นห้าเนี่ยลองฝืนข้อห้าดูโลกเนี่ยหมุนติ้วเดี๋ยวนี้แหละสติสัมปชัญญะเคยมีคู่ควรกับความเป็นมนุษย์ขาดไปแล้วไม่มีแล้วเป็นเปรตเป็นนรกเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ริษยาได้หมดในขณะนั้น ฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ลักทรัพย์ขขงลักของเขาก็ได้ผิดลูกผิดเมียใครก็ได้พูดดกพูดดา่าพูดโกหกต้มตุนใครก็ได้ผิดทำลายสติตัวเดียวนี่นั่นเลยแต่ละข้อแต่ละข้อเราเห็นคุณค่าของศีลไหมใครรักษาได้สมบูรณ์บริบูรณ์คนนั้นไม่เดือดรอ้อน ใครจะรักษาสมบูรณ์ไม่บริบูรณ์แต่เรารักษาสมบูรณ์บริบูรณ์เราไม่เดือดร้อนแน่ๆเลยหละไม่เดือดร้อนแน่นอนนี่สินนะกายกรรมของคนนั้นก็จะบริสุทธิว์วจีกรรมของคนนั้นก็บริสุทธิ์เนี่ย กิเลสแสดงกิริยาทางกายไม่ได้ทางวาจาไม่ได้ไไดกิเลสโดดดิ้นหนึ่งหัวใจเนี่ยเห็นไหมมันเข้าหลังมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์แปดไหมสินสมาธิปัญญาครูวายจารท่านพาธรรมถูกต้องค่อยๆขยับขึ้นไปเหมือนเราขึ้นบันไดเป็นขั้นขั้น ข, น ข, น ข, นขนัท่านมันกันโดดโดดไปชั้นห้าชั้นหกไปเลยท่านไม่พากระโดดกันท่านพาขึ้นตามลําดับ มันเป็นบาทเป็นฐานขยับขยับขยับขยับขยับขยับสินสมาธิปัญญาสินหนุนสมาธิสมาธิขนนุปัญญาสมาธิก็คือไประ ง, งับกิจให้มันสงบกิริยาอาการของความโลภความโกรธความหลงที่เป็นริกเป็นเดชของตัณหาที่มันมีอยู่ในหัวใจไประ ง, งับมันซะก่อนไปทรมานมันซะก่อน อย่าคิดว่าสมาธิจะไม่ทรมานกิเลสในหัวใจนะอย่าคิดนะทรมานหรือไม่ทรมานเราดูดิเราต้องขยเยอกันไหมเรานั่งเนี่ยไอ้แค่เรานั่งเมื่อกี้เนี่ยชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงเนี่ยต้องขยเยอรกันไหมขยเยอรกันไปขยเยอรกันมานั่นทรมานไหมทรมานกิเลสหรือทรมานธรรมอะทรมานเราหรือทรมานเขาไอ้เรากับเขานี่ก็น่าจะเป็นอันเดียวกันนแหละ เราเราเราคือกิเลสนละ่ะเขาเขาเขาเคือกิเลสนลี่ะไอ้ที่เราว่าเนี่ยนอทรมานหรือไม่ทรมานรู้ดิทรมานกิริรายาการทรมานรวดลายของตัณหาซะก่อนมันเคยแสดงฤทธิดเดชไหมเราไปสงบระงับหยุดสงบนิ่งให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันชะลออันนี้สองของความหยุดความนิ่งความชะลอโอ้หิบใจเ อ, อิบอิ่ม มีความสุขมีความสุขในปัจจุบันทันโด่วนนั่นแหละเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เสียด้วยนะพุทธเจ้าท่านว่าเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่ต้องอิงรูปอิงเสียงกลิ่นรสโภชภะไม่ต้องอิงอะไรทั้งนั้นมันเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดขึ้นจากการตัดกระแสของตัณหาให้มันโดดดิ่งในหัวใจ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คือตัดไม่ขาดหรอกเพียงแต่ไปชะลอมันไปกั้นเพียงแต่ไปก่อไปกั้นกระแสเข้ามันเท่านั้นกั้นกระแสะให้มันอยู่ถ้าเป็นน้าก็เมือเราไปกั้นเอาไว้กั้นไว้น้ามันกระทะลักไปไม่ได้เรากั้นกระแสะไม่ให้เกลียดมันมาโดดโดดโดดดิ้นในหัวใจของเรามันมาแสดงไม่ได้มันก็สงบระงับไป กระแสของตันหาขึ้นชื่อว่ากระแสนี่กระแสของตันหากระแสของมั น, มนก็เหมือนกระแสน้ํานี่แหละเหมือนกับกระแสอะไรนี่กระแสส่งโน่นส่งนี่นี่กระแสอะไรนั่นแหละมันสามารถตัดได้แต่กระแสตันหาในหัวใจนี่ยมันตัดขาดได้ด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อทําลายความหลงหเห็นอันนี้อย่างทุกขังอนัตตา รเหตุที่เราไม่เห็นนั่นแหละทำให้เราไม่สว่างไม่เห็นโทษแล้วก็ไม่หนักไม่แน่นไม่เน้นไม่ขัดไม่เกาไม่เน้นหนักเข้าไปไม่ขูดไม่ขัดไม่ตั้งใจที่จะปอกไม่ตั้งใจที่จะขบที่จะเจาะที่จะฟันไปทำทะลุทะลวงไปให้มันได้มไม่เห็นโทษมัน อาศัยจิตที่สงบเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานนี่แหละทําได้พิจารณาได้แต่ถ้าเราคอยไปวิ่งรับโอ้อันนั้นรูปอ๋ออันนั้นเวทนาอ๋ออันนั้นดวงนั้นโลภอ๋อดวงนั้นโมหะอ๋อดวงนั้นโทสะมันจะไปวิ่งไล่มันอย่างนี้เมื่อกวันทั้งวันคอยนับมันเท่านั้นแหละอันนั้นพผล่มากันนับมันอันนั้นพผล่มากันนับมันอันนั้นพผล่มากันนับมัน ทำไมเราจะเข้าไปถึงต้นต่อเข้าไปถึงรากเงาเข้าไปถึงข้อมูลเงามูลของมันมันเข้าถึงไม่ได้เมื่อกว่าเราเมื่อกว่าเราวิ่งรับมันได้รับความฉลาดได้รับความรอบรู้ทำไมจะไม่ฉลาดทำไมจะไม่รอบรู้เพราะมันเป็นภูมิรู้ของท่านมันเป็นภูมิรู้ของพระอรยยสาวก มันเป็นภูมิรู้มันเป็นวาสนามันเป็นบารมีของท่านที่ท่านมาเขียนไว้ให้พวกเราศึกษาเพราะฉะนั้นเราเราเรียนเฉยๆแล้วก็ปฏิบัติเฉยๆแต่ไม่ปฏิบัติเข้าในหลักมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติไม่เข้าในหลักอริยมรรคมีองค์แปดปฏิบัติไม่เข้าในหลักศีล ส, สมาธิปัญญา ศีล ส, สมาธิปัญญาอริยมรรคมองแปดมัชชิมาปฏิบัติเนี่ยอันเดียวกันถ้าไม่เข้าในหลักนี้แล้วก็ไม่เป็นไปนตามเป้าประสงค์ของพุทธเจ้าแล้วเหมือนเราตั้งเป้าไว้ ด, ด้านทิศตะวันออกนี่แหละเป้านี่แหละนี่แหละนิพพานเนี่ยทันตะวันออกทั้งนี้แหละแต่เราอาจจะไปเฉียงเฉียงเหนือก็ได้เราอาจจะไปเฉียงเฉียงใต้ก็ได้มันไปไม่ตรง แล้วมันจะไปถูกได้ยังไงมกทะลุทะลวงเลยไปไหนก็ไม่รู้แหละเขาปาข่าเขาโรกไปไหนก็ไม่รู้แหละอมันอาจจะแชะลกไปเกี่ยวกับการมสุขลิกาานุโยกก็ได้อาจจะแชะละ์ไปกับอัตเกลาบัตานุนโยกก็ได้อืมถ้าหากออกจากมัชชีมาปฏิปทาแล้วเนะี่ยทั้งสองสายนะ่ะการมสุขลิกาานุโยกประกอบตน เน็ดเหนื่อยเปล่าอธิกิรมันธนโยกประกอบต้นเน็ดเหนื่อยเปล่ากามมาสุขลิกานุโยกประพฤติอนุโลมหย่อนผ่อนผันไปตามอำนาจของกามก็เหมือนกับไปเสริมรดน้ำใส่ปุ๋ยให้กับกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาแล้วมันจะหมดไปจากหัวใจเราได้ยังไงมันหมดไปไม่ได้เพราะฉะนั้น กาสรสบการณ์นโยกก็ตามประกอบตนพัวพันกามอัตกระมัณฑนโยก็ตามปฏิบัติจนตายมันก็ไม่ถึงเพราะมันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางทางที่ท่านเปรียบเสมือนทางสายกลางนั้นก็คือนี่แหละสีลสมาธิปัญญานี่แหละคืออรอยิยมรรคมีองค์แปดไปไล่ดูสิอรอยิยมรรคมีองค์แปดมีอะไรปัญญาขึ้นก่อนสมาทิฐิเห็นชอบเห็น ไ, ไหมเห็นชอบ เห็นชอบเห็นชอบคือเห็นตรงคือเห็นจริงเห็นถูกที่ธนบาร์เห็นชอบเห็นชอบธรรมะคือคือของจริงสัจจะคือของจริงแต่ว่าเราเห็นมันยากเราเห็นธรรมะเราเห็นยากเราโดนแต่ของปลอมโดนแต่คนโดนแต่อบายโดนแต่มายาที่กิเลมันป้อนให้ เทียนอย่ามันมันถ้าเห็นรูปมันก็ว่ารูปสวยซะมันก็ชอบมันก็ว่าไม่สวยซะมันก็ให้ชังแน่ใช่ไหมความชอบกับความชังมันจะมาเสมอมาเรื่อยๆถ้าเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้ยินเสียงเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเสียงเพราะเนี่ยก็ดึงเข้ามายึดเข้ามาแล้วเสียงไม่เพราะนี่ยก็ผลักออกไปแล้วลองเสียงดุเสียงด่าด้วยแล้วนี่ไม่มีใครชอบแล้วเห็นไหม มันไม่ตรงมันไม่มันไม่เห็นตามความเป็นจริงมันจึงไม่เห็นธรรมะในเมื่อมันเห็นอย่งงางนั้นมันก็ทําตามอย่งงางนั้นในเมื่อมันทําตามอย่งงางนั้นก็เดินผิดทางเพระเาะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงมาก่อนสัมมาทิฏฐิจึงมาก่อนอสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ ดัมเิเห็นอย่างนี้สัจธรรมเป็นอย่างนี้อย่างๆี้ดําริออกจากกามอะไรสันึ่ดําริออกจากกามดัมเบลิออกจากกามกายออกจากกามจิตออกจากกามดําริที่จะออกจากกามอะไรสันึ่เมื่อดําริเห็นมักเห็นผลเห็นทางมักทางผลแล้วดําริออกจากกาม ลำดีออกจากกามเพราะอะไรอยู่ใกล้กามนะมันเหมือนอยู่กับฝุ่นทุเรีละอองเข้าหูเข้าตาเข้าปากเข้าจมกูกเข้าเปรอะเข้าเปื้อนนะมันไม่เข้าตาหูจมกูกมันก็มันก็เปิอะมันก็เปื้อนนะอยู่ใกล้ฝุ่นในกล้ทุเรีละอองอยู่กับครอบครัวลูกขัว มียท่นเรียกท่นเรียกว่าอยู่ใกล้ฝุ่ในใคลทุเรีใกล้ละอองทําไมระวังก็ทุเ ร, รีลทุเรีละอองแล้วน่ะมันเข้าปากเข้าตาเข้าจมูกเ ป, เปื้อนเนื้อตัวมอมแแมมเมื่อกายยังไม่ออกจากรามการจะเอาจิตออกจากรามก็ยากเหมือนกันแต่ก็สามารถเอาออกได้ ไม่เ่าวไม่เอาการออกจากกามแต่พยายามตั้งใจเอาจิตออกจากกามสามารถทําได้เหมือนอย่างวิสาขาอุบาสกนั่นแหละวิสาขาุบาศกไปฟังเทศกุศาทุกวันทุกวั น, วนได้บรรลุพระอนาคามีหลังจากได้บรรลุพระอนาคามีแล้วไปมอบสมบัติทุกอย่างให้กั บ, กบนางธรรมธินานะแม่บ้านนะั่น เธอต้องการแล้วเอาไปเถอะจากนี้ไปเธอไม่ต้องมายุ่งกับกับเราไม่เกี่ยวกับเราไม่ต้องมาปรนนิบัติอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือเห็นเห็นโทษไม่ใช่เห็นโทษดอกมันพ้นไปแล้วพ้นจากภาวะความเกี่ยวข้องผูกพันกันอย่างนั้นนางนี้ฟังดูก็แปลกโอ้ใ จ, จใจเรารับทำไมสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่นำทุกนำโทษมาให้ ถ้าจะเทียบไม่ต่างอะไรกับก้อนเขละก่อนน้ำลายนางธรรมทินาลยขอเนี่ยขอไปบวชท่านนี่วิส า, าขาวาิสาขาวาสกวิสาขาวาสุกก็ให้พาไปบวชอย่างดีแหละนางธรรมทินาไปบวชไม่กี่วัน <c oughs> ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนจ้อยนาน <c oughs> เห็นไหม จะว่าสามารถแต่เราเหรอเขาก็สามารถเหมือนกันจะว่าสามารถแต่ผู้ชายหลือผู้หญิงก็สามารถเหมือนกันน้องตาท่านว่าหัวใจมันไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงแล้วก็ดูไปในใจของเรามันไม่มีผู้ชายผู้หญิงอย่างว่านะน้องตาท่านว่าใจไม่มีเพศ ช, ชายไม่มีเพศหญิงแต่ถ้ามันจําว่าเราเป็นชายหรือว่าเราเป็นหญิงี่ก็คือมันสัญญาอารมณ์ มันจำเป็นสัญญาใจไม่มีชายไม่มีหญิงแต่หากว่าเกิดมาบนโลกแล้วมันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้เพื่อซึบท อ, อดความเป็นไปในโลกให้เป็นอยู่อย่างนี้ตามภาวะของกิเลสตัณหานั่นแหละนั่นแหละเป็นเครื่องมือของมันเป็นลูกสมุนของมันอีก เนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปริดำริออกจากตามดำริไม่พยาบาทดำริไม่เบียดเบียนเห็นไหมมันตัดทุกตัดโทษไปเท่าไหร่แล้วนี่คือปัญญาศีนสมาธิปัญญาสมาธิฏฐิเนี่ยมันลึกละเอียดไปจนถึงนน่นอนิจังทุกขังอนัตตาไปจนถึงปัญญาญาณไปถึงมรรคถึงผล ถึงความหลุดวิมุติหลุดพ้นออกไปเลยนะี่ยคำว่าสัมมาสมาธิิฐเห็นชอบเห็นถูกเห็นตรงตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงพวกเราได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าทนทรงตรัสว่ารูปธรรมของเรานามธรรมของเราคือใจนี่มีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแค่นี้เราก็ยังดูไม่ออกเพราะกิเลสมันไม่ไม่ยอมให้เราดูร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่เราก็ดูไม่ออกเจ็บก็คือรู้แต่ตอนเจ็บโอยๆนั่นแหละเวลามันไม่เจ็บก็หลงก็เพลินไปกับมันต้องแก่ตอนยังไม่แก่ก็หลงเพลินไปกับมันเขาเรียกหลงไป้งต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายแต่เวลาใกล้จะตายขึ้นมาเนี่ยทุกทุกปางตายทุกจนตาย ตัวเองไม่ตายญาติตายพ่อตายแม่ตายทุกอีกนั่ น, นอนนี้จังทุกครั้งนัตตาตัวเองก็มีคนอื่นก็มีสัตว์สิ่งของทั้งหลายรอบข้างตัวเราเป็นอนิจจังทุกครั้งนัตตาหมดุปลงแล้วก็คือสภาวะธรรมที่เป็นสังขารอยรอบข้างตัวเรามีลักษณะเหมือนกันหมดคงที่อยู่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนไปคงที่อยู่ไม่ได้คือทุกขังต้องเปลี่ยนไปคืออันนี้จังไม่มีใครไปดัดแปลงให้เป็นอื่นไปได้พระเจา้าจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาเรามาถือเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงในเมื่อเราบังคับบัญชา ม, มันไม่ได้อืไม่เป็นไปตามใจหวังของเราไม่อยากให้แก่มันก็ต้องแก่ไม่อยากให้เจ็บมันก็เจ็บไม่อยากให้ตายมันก็ตายไม่ให้วิโยคไม่ให้พราดพามันก็วิโยค ก, ก็พราดพลาด โดยเหตุที่เราเกณฑ์ให้มันถูกใจเราทุกอย่างทุกเรื่องเราก็ทุกเกณฑ์ไม่อยากแก่เวลามันแก่ก็ทุกเจ็บก็ทุกตายก็ทุกแก่ให้มันสมหวังเกณฑ์ให้มันสมหวังมันผิดหวังกระทุกแท้ที่จริงความทุกทุกประเด็นทุกประตูเกิดขึ้นจากความผิดหวังทั้งนั้นสังเกตดูเถึงความทุกหมายถทุกใจเกิดขึ้นจากผิดหวังทั้งนั้น มั่นใจกับคนนั้นหวังว่าช่วยๆเขาทํำน้นทนํานี้อ๋อทําของเราเสียแล้วโทุกทุกอีกแล้วอืหวังจะพึ่งคนนั้นกุศลดีกับเขาหลุดไม้หลุดมือไปแล้วนโทุกอีกแล้วลูกหญิงลูกชายส่งไปให้เรียนอย่างดีหวังว่าลูกของเราจะได้เป็นคนดีเรียนเก่ง จบด็อกตงดอกเตอร์วันดีคืนดีมันก็เป็นอื่นไปแล้วทุกข์อีกแล้วนะผิดไหมผิดหวังไหมผิดหวังอยู่ดีดีสุขสบายโอ้ยมะเร็งมาเก่ออีกแล้วผิดหวังอีกแล้วทุกข์อีแล้วเบาหวานมะก่ออีแล้วทุกข์อีกแล้วโรคตาโรกปอดมาก่อนทุกข์อีกแล้วผิดหวังทั้งนั้นแล้วสุปเป็นประเด็น ความทุกข์ใจจะมาจากความผิดหวังเกือบทั้งนั้นนี่แหละปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ตามใจหวังทุกข์คันทั้งห้ามันไม่เคยให้เราสมหวังมันตั้งบนอยู่พื้นบนพื้นฐานของไตรลักษณ์นี่แหละอันนี้จังทุกขังอนันตาแต่มันอยู่ลึกลึกเกินพวกเราลวงไม่ถึงหรือมันอยู่สูงเกินที่พวกเราจะเอื้อมถึงแต่มันมีหนทางตะเกียกตะกายขึ้นได้ มันมีหนทางที่จะเข้าไปถึงได้ลึกขนาดไหนเราก็เข้าไปถึงได้สูงขนาดไหนเราก็สามารถปีนป่ายขึ้นไปได้เพราะมันมีช่องมีทางมีแนวมีแถวพุทธิยถาท่านบอกท่านสอนครูบาอาจารย์บอกในให้พวกเราเก้าวไปตามนั้นได้นี่แหละที่เราทำทากันอยู่นี่แหละพยายามปลูกฝังบำรุงรักษาให้โอกาสให้กับตัวเองให้มากสร้างบุญกุศล สร้างปัญญาบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างพื้นสร้างฐานสร้างบาสสร้างปัญญาให้กับเราปัญญาเท่านั้นที่พอจะเจาะทะลุทะลวงเข้าไปเห็นอ น, นิจจังตุขังอนัตตาได้มันละเอียดมันลึกดูสังเกตมาที่จิตทุกครั้งทุกระยะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เอาสมาธิเป็นพื้นเป็นบาสเป็นฐานแล้วพยายามพิจารณามา เพให้เห็นอันนี้อางทุกขรั้งนับตาเราดูเหมือนกับเป็นการทําลายเป็นก้อนเป็นแท่งดูง่ายๆเราย้อนไปตัวเราเดี๋ยวนี้ย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปอายุย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปเล็กไปเล็กไปเล็กไ ป, กไ ป, กไปนูเล็กไปจนเป็นน้ําใสๆอยู่ในท้องแม่นั่นตัวตนที่เรานั่งอยู่หายไปไหนหมดไหมลูกนี่ก็หัดพิจา ร, รณาหัดย้อน อัดย้อนพิจารณาหาตัวตนเหมือนแต่อัตราตัวตนมีไหมตัวตนของเรามีไหมย้อนเราตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปจนถึงในท้องแม่นั้นนะในท้องแม่แปดเดือนเก้าเดือนเจดเดือนหเดือนห้าเดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนห้าวันสามวันสองวันหนึ่งวันในขณะที่ก้อนน้ํานั้นไปผสมกันดูไปสิ ตัวตนเราอยู่ตรงไหนเราดูไปดิตัวตนเราอยู่ตรงไหนเราขัดพิจารณาอย่างนี้แหละดูง่ายๆ่ายอย่างนี้แหละขย้อนง่า ย, อยๆอย่างนี้แหละเห็นอันหยาบหยาบอย่างนี้แหละก่อนก่อนที่เราจะขยับไปเห็นอันละเอียดละเอียดอยู่ในใจของเราแล้วเราก็ย้อนเข้าไปอีกอา้าสังขารพอ่อสังขารแม่มาประกอบกันในท้องแม่มันมาได้ยังไงย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปเกิดจากอะไรน่ะ รูปธรรมกนามาทมของพ่อของแม่ผลิตผลของอะไรใช่ตันหาหรือไม่ดูที่เป็นตันหาในใจของพ่อของแม่หรือเปล่าเราดูไปใช่หรือเปล่านะั่นนั่นเห็นไหมสมุทยนะัยเราพิจารณาง่ายๆเลยง่ายๆยางี้แหละให้มันเห็นง่ายๆเห็นอันหยาบๆอย่างนี้แหละดูไปง่ายๆเนี่ยเออใช่ ดูไปดูมาดูมาดูไปมันมาคาอยู่กับตัณหาในหัวใจของเราของท่านนี่เองมันก็มาอย่างนี้แหละมาแล้วมาเอาสังขารมาประกอบกันสังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันในท้องแม่พัฒนาถาวรมาตามลักษณะรูปแบบการนก บ, บัติเป็นมนุษย์ต้องมาอ่านี้หกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือน โตเต็มที่ครบเอาไว้พะสันสองออกมาแต่ก็ต้องมีจิตคือนามัรรมเข้าไปจับจองเข้าไปเกี่ยวข้องเจรินเติบโ ต, ตคลอดออกมารู้เดียงสาภาวะมีธาตุรู้มากับธาตุไม่รู้จิตตรงนี้มันก็ไปตามบุญตามกรรม ใครควรจะได้บุญได้กรรมยังไงมันก็ไปอย่างนั้นไม่พอจะได้เป็นมนุษย์มันก็ไปเป็นสัตว์เป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์เล็กเป็นสัตว์มีริทมีเดชเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่ตามบุญตามกรรมมีคุณสมบัติพอเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ชั้นเลวมนุษย์ชั้นกลางมนุษย์ชั้นอัจฉริยะมนุษย์มันก็เป็นไปตามภูมิภายในใจคือคุณงามความดี คือบุญในใจของไข่ของเราสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนนะที่เราจะที่เราจะได้ดีหรือได้ไม่ดีแต่เมื่อเราเระลึกย้อนหลังไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้กลายเป็นผลของวิบากกรรมเราแก้ไขอะไรไม่ได้ดอกเมื่อเรารู้ ร, ร, รู้เห็นเห็นในปัจจุบันเราสามารถแก้ไขได้ปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะแก้ไขได้ อดีตล่วงไปแล้วแก้ไขไม่ได้ทั้งนั้นความชั่วความเลวทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านไปแล้วเราเคยประกอบด้วยกิริยากายกิริยาวาจาหรือกิริยาใจเราก็งดกิริยากายนั้นซะกิริยาวาจานั้นซะกิริยาใจนั้นซะไม่ทำกรรมแบบนั้นอีกเราแก้โดยวิธีนี้ไม่ใช่เราไปแก่กรรมเก่าอย่างพระเทวทันะ่ะ ว่าท่านจะพ้นจากอเวจีมาได้ต้องพ้นวาระกรรมของท่านแม้ถ้าพระพุทธเจ้าทรงทํานายว่าจะได้กลับมาเป็นพระปัจเจกพุท ธ, ก, ธ, ธก็ตามแต่วาระกรรมยังไม่จบยังไม่หมดท่านก็ยังต้องได้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละ ย, ยังไม่จบยังไม่หมดนี่ความเป็นไปของรูปธรรมของเราของนามธรรมาของเราคือที่ไปที่มากิเลสมันก็มากับผู้รู้กับจิตเนะ่ย คือจิตของเรามันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่สุทธิมันมันไม่ฉลาดรอบรู้ด้วยตัวเขาเองต้องมาฝึกมหาดัดแปลงมันเป็นวัตถุ ด, ดิบมาทั้งดุนมันมีทั้งสิ่งที่เป็นเหตุให้เศร้าหมองมาด้วยมีธาตุรู้ผู้รู้นั้นก็ไปหลงหลงรูปหลงเสียงหลงกลิน่นหลงรสห ล, ง, ลงสัมผัสเพลินไปกับความรู้ความเห็นเห็นรูปไปยึดรูปเห็นเสียงก็ยึดเสียง เห็นรูปดีก็ยึดเห็นรูปไม่ดีก็ไม่ชอบเห็นรูปรูปดีก็ชอบแน่มันเกิดยึดเกิดมายึดขึ้นมาแล้วเพราะมันเกิดขึ้นมาไม่บริสุทธิ์เป็นเหตุให้จิตดวงนั้นเศร้าหมองมาเรื่อยๆสแสวงพบสแสวงชาติไม่จบอยู่เรื่อยๆแต่มีต้นทุนต้นทุนก็คือความรู้นี่แหละแล้วก็มีธรรมะอยู่ในผุดในนั้ น, ไ ม, นไม่ใช่มันคนเรามันไม่ใช่จะมีอ บางช่วงแม้แต่เป็นศาเดรชานเขาก็ทํากรรมดีเกิดเป็นค น, นตกอยู่ในเขตที่ไม่มีศาสนาสอนแต่ความดีพื้นพื้นของคนก็มีอยู่พร้อมที่จะเป็นต้นทุนเอาความรู้นี่แหละเป็นต้นทุนเพราะฉะนั้นพลังของกิเลสกับพลังของต้นทุนที่เป็นคุณงามความดีในใจ จึงมีเป็นคู่แข่งกันมาตลอดตั้งแต่กับการโพเรชา่นไหนเราก็ทราบไม่ได้แต่เรามีมาอย่างนั้นด้วยกันทุกคนเดี๋ยวนี้เราโชคดีมีพระศาสดามาอาบัติพวกเราได้ยินได้ฟังได้บอกคําบอกคําสอนของท่านต้องรักษาศีลงี้ต้องเจริญสมาธิอย่างนี้ต้องสงบระงับกิริยาการของกิเลสโลภะโทสะโมห oh ะอย่างนี้อย่างนี้ แล้พิจารณาเพื่อทำลายความหลงของตัวเองหลงรูปหลงเสียงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันหลงเพลินยึดรูปยึดเสียงยึดเลรียญยึดรถเพราะมันหลงหลงมันหลงไปยึดสิ่งที่จะทำลายความหลงได้สิ่งที่จะทำลายอวิชชาได้ปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นปัญญาเป็นแสงสว่างปัญญาเป็นตาข้างในเป็นตาใจไม่ใช่ตาข้างนอก ไม่ใช่แสงข้างนอกมันเป็นแสงข้างในแสงของปัญญาสามารถใช้ผู้รู้เนี่ยให้มีความรู้อจอด่องวินิจใช้ไข้ครวนวิจัยวิจารทะลุปลุกโปร่ปงไปหมดคือเข้าไปรู้อะไรเข้าไปรู้เหตุรู้ปัจจัยเนี่ยของรูปของเสียงไปรู้เหตุรู้ปัจจัยของรูปของนามนี่เองพอไปรู้แล้วก็ตื่น ทำลายความหลงได้พอรู้แล้วตื่นทำลายความหลงได้ความหลงคืออวิชชานั่นแหละพอทำลายความหลงได้เห็นก็ไม่ยึดเห็นดีก็ไม่ยึดเห็นไม่ดีก็ไม่ยึดได้ยินดีก็ได้ยินเพราะก็ไม่ยึดได้ยินไม่เพราะก็ไม่ยึดเมื่อไม่ยึดมันก็หมดอุปาทานหมดตัญหาคือคือมันมีวิชชาแล้วมันก็สามารถกาจัดอวิชชา มันมีปัญญามันก็ระงับดับตัณหาได้เมื่อดับตัณหาได้อุปาทานก็ดับพบก็ดับชาติก็ดับโศกก็โศความโศกความร่ําไรรําพันท้องห่มร้องให้คร่ําครวญที่เป็นปลายเหตุที่เป็นกองทุกข์ทา้งหลายทั้งป่วงมันก็ดับดับดับดับดับตั้งแต่ยังท่านยังอยู่นี่แหละท่านยังไม่ตาย ดับตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เนี่แหละลมหายใจฟอรฟอดเนี่แหละโดวยวิธีการที่พุธทธิยถาสอนเนี่ยเราจึงโชคดีเพราะฉะนั้นขอให้ทั้ง อ, อกทั้งใจขวนขวายด้วยกันไม่ให้เสียท่าเสียทียังไงยังไงขอให้ได้รับความพอ อ, อกพอใจจากผลของคุณงามความดีของศีลของธรรมที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจทำ อย่าให้ต้องได้ฝืดได้เรื่องเลยขยับนั้นก่อติดขยับนี่ก่อชนขยับนั้นก่อฝืดขยับนี่ก่อขัดอนนันก่อเขินอันนี้ก็กีดอันนั้นก่อขวางสรพัดแต่ละครั้งพอใจไหมไม่พอใจทุกมากลำบากใจมันไม่มีอะไรจะทำให้ใใหัวใจเราทะลุผุพงโลง่งทงนี่ อา้าววันนี้นาจะสมควรแหละพอสมควรแค่เวลาแหละวันนี้อา้าตอนนี้แหละ